ศาสนาพนุทธในใครเข้าใจแล้วไม่มีทุกข์พระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์เท่านั้นแต่คนนั้นฟังไม่เข้าใจจริงๆเคเมื่อไม่เข้าใจแล้วไปปฏิบัติมันมผิดไปในประเทศอินเดียมีหลายละทิหลายได้กายคบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังมีร้อยแปดละทิร้อยแปดอาจารย์ร้อยแปดศาสนา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 หมาบ้านก็เรียกอย่างสุนัขแมววัวควายมันเป็นสัตว์ในรัศสานโดยเฉพาะอันอันคนเนี่ก็เป็นสัตว์เหมือนกันแต่จิตใจมันเป็นสัตว์จังว่าคนใดมีตาทิพต้องเห็นอันนี้คนใดไม่มีตาทิพไม่เห็นตาทิพเปรียบตาปัญญาดังนั้นาการทําบุญก็ดีการให้ทานก็ดีการรักษาจิตก็ดี ท, ทเพื่อให้เกิดปัญญาพระพุทธเจ้าสอนเรื่องปัญญาสอนให้คนกําลัง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 ดังนั้นประเทศเอินเดียมีร้อยเปรตที่รอยเปรอาจารย์ร้อยเปนใครชอบธรรมะใครก็ต้องไปเราเคยได้ยินว่าองคุริมันฆ่าค น, นก็อาจารย์หนึ่งเมื่อไม่มีพระพุทธเจ้าก็ตายในองคุริมเนี่ยอาจารย์สอนให้เข้าใจฟังแล้วเสื้อทันทีก็ไม่ได้ฟังแล้วไม่เสื้อถือก็ไม่ได้เราต้องใส่เหตุผลพุทธศาสนาสอนเหตุผลไม่ได้สอนให้เสื้อทันที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 ให้องคุริมาแต่ฆ่าคนถึงพันคนและจะสอนคาถาให้คนจํานวนพันคนต้องฆ่าองคุริมาได้เขาคิดอย่างนั้นแค่คนมันไม่สลาดก็เลยไปฆ่าคนเนี่ยไปอย่างนันอันนี้แหละเราต้องใช้สติปัญญาการทำการพูดการคิดไม่ใช่ออกฟังแล้วเสื้อทันทีมันผิดไปฟังไม่เสื้อเลยแบบนี้ก็อุปกรารวกคนหนึ่งแหวงพุทธเจ้า